เพรอิทธิบาทสี่เนี่ยที่พระเจ้าท่านบอกว่าเอาไปทําอะไรเนี่ยสามารถสําเร็จได้ทุกอย่างถ้าคุณเอาอิทธิบาทสี่ใส่เข้าไปเพราะข้อที่หนึ่งเลยก็ต้องสร้างความยินดีในสิ่งนั้นไม่เพียงแต่ไม่คิดแง่ลบนะไอ้ ไ, อไม่คิดแง่ลบนะบอกตอนนี้ผ่านล้วสอผ่านแล้วตัดทิ้งไปแล้วว่าเออแง่ลบเราไม่คิดล้แต่คุณไม่คิดแง่ลบคุณต้องขัดคิดแง่บวกให้ได้ด้วย วันคนเราบางทีไม่คิดแง่ลบก็จริงแต่คุณยังไม่คิดแง่บวกเมื่อคุณไม่คิดแง่บวกคุณทำอะไรคุณทำไปแบบสั่งก็ตายก็ได้เหมือนบางคนเนี่ยต่อให้มาบวชเป็นนักบวชก็ตามแต่คุณก็อยู่ไปวันๆอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยในพระจีวรที่คลองอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็สึกไม่นาน คนที่มาถือศีลคนที่มาปฏิบัติธรรมถ้าคุณถือศีลจริงคุณปฏิบัติธรรมจริงเจ๊ะม่เนี่ยเนี่ยใครอยู่มาเลยสิบปีแล้วบังอ่เอมีอยู่หลายคนในที่นี้อยกตัวอย่างนะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านเจอภิกษุท่านจะถามภิกษุว่าเธอยังทนได้ดีอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเธอยังอดทนได้ดีอยู่หรือ ซึ่จริงๆก็เท่ากับถ้าเป็นคนโล่งๆส่วนใหญ่ก็ถามเจอหน้ากันก็สบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เหมือนกันแต่ผู้เจ้าท่านถามจริงนะถ้าไม่ได้ถามแค่ทักทายเฉยๆท่านถามจริงๆและภิกษุท่านก็ตอบตรงๆด้วยถ้าท่านรู้สึกโอ้โหอัตคัดมากลําบากมากอะไรท่านก็ตอบให้ผู้เจ้าท่านทราบตามจริงซึ่งคําเนี้หมายความว่ายังไงอ่ะสูตอ่านเมื่อกี้เนี่ยอาตมาบอกให้ยกมือไหนใครโอ้โหอยู่มา เลยสิบปีขึ้นไปละน้วนะถามว่าอเนี่ยเป็นไงอยู่มาทุกวันนี้เป็นไงบ้างสมมติถามนะกูจะตอบไงอะลมละลินตอบไงอ่าอันนี้ตอบแบบพอทนอยู่ได้อยู่อยู่ข้อที่หนึ่งคือพอทนอยู่ได้นี่คือพยายามไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำแล้วปรากฏว่า มีความสุขมีความสบายเออวันนี้เองละเมื่อมีคนถามอาตมารู้สึกจะตอนบินธาบาอตอาตมาพอดีเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยสมศิขาคือปรากฏว่าจริงๆเขาปิดเทอมใช่ไหมเขากลับบ้านไปแล้วไงอ้าวพอดีอตมาเห็นเขามาใส่บาทอาตมาก็เลยยิ้มยิ้มก็แกล้งแซวๆเขานะแกล้งถามเขาว่ามีความสุขดีอยู่หรือ แล้วก็ถามเขาเขาก็เลยถามกลับเขาก็เลยถามกลับแล้วท่านอะมีความสุขดีอยู่เลยเขาไม่ได้ตอบนะแต่เขาถามกลับอัตมาก็เลยตอบเหมือนกับที่บางทีเราได้ยินพ่อท่านตอบอยู่บ่อยๆนะบอกอ้ายังอัตมาเนี่ยอุ้ยนะแสนจะสบายแล้วนะไม่เห็นจะเป็นทุกข์ร้อนเรื่องอะไรเลย สวยไอ้เรื่องการงานทํางานก็ทําไปนะแต่จริงๆโอ้ยสุขสบายมากเอาบอกตรงๆนะเนี่ยต่อใหไ้ไม่ต้องมีใครมาถามด้วยเอา <c oughs> แต่ตัวตมาเองเนี่ยทุกรู้สึกว่าโอ้ทุกวันนี้แสนสุขแสนสบายมากยิ่งเวลานึกย้อนอดีตไปนะโอ้โหแต่ก่อนนอนก็นอนไม่ค่อยหลับห่วงเรื่องการห่วงเรื่องงานห่วงไอ้นวนห่วงไอ้นี่สองกับบางทีเอาเรื่องเศรษฐกิจบางทีมันมีปัญหา ใช่ไหมต้องมาห่วงเรื่องอทำมาหากินอ้าวอย่างที่สามบางทีเอาเรื่องคนในครอบครัวไะมิตรสหายกงไอคนนั้นมีปัญหาไอคนโนนทุกร้อนเนี่ยมันไม่สบายอกไม่สบายใจหรอกมันมีเรื่องให้เราคิดให้เราทุกข์ให้เรากุ้มอยู่ได้เรื่อยๆอต่อให้คุณจะแบบว่าอะไรอะ่ะก็พยายามอะ่ะจะไม่คิดให้มันทุกข์ให้มันกุ้มแต่ มันไม่ได้นี่เพราะว่าเอามันก็อยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมผูกพันกันหรือว่าสัมพันธ์กันหรือว่าทํางานด้วยกันเอามันต้องเกี่ยวโยองเกี่ยวดองกันอยู่อ่ะยังไงถ้าเขาทุกข์เขากุ้มไอเราจะทําเป็นเฉยเฉยสบายใจของเราเอ้ยมันไม่ได้หรอกใช่ไหมบางทีก็ต้องช่วยเหลือต้องอะไรกันไปยิ่งโดยเฉพาะกลไกล้ชิดเอาละสิอาตมาเนี่ย ส่วนใหญ่นะถ้าสมัยอยู่ที่บ้านเนี่ยที่จะทุกข์จะกุ้มที่สุดเพราะไอ้พวกหลานๆน่ะมันดือนด้อดื้อโอ้บางทีมันไม่ค่อยเชื่อฟังคนนั้นคนนี้แม่ในที่สุดเราก็เลยลงมือจัดการเพราะมันดือ้อเอามาทุกข์มากุ้มไอ้พราะหลานๆๆพว ก, นนนนพวกนวเนี้นั่นแหละบางทีไม่ใช่ปัญหาเรานะแต่ไปๆมาๆมันเกี่ยวยงองไงในที่สุดเราก็เลยต้องมาห่วงต้องมากังวลต้องมาทุกข์ไปด้วย นเนียเยกตัวอย่างให้ฟังแต่ทุกวันนี้บอกโอ้โหสบายเลยพ่อไม่มีลูกไม่มีหลานทุกวันนี้ไม่มีล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่เหลือตัวคนเดียวทุกวันนี้ไม่มีอะไรทั้งสิน้นคือถ้ามาบวชจริงๆเนะี่ยมันเหลือตัวคนเดียวจริงๆจริงเราอยู่ในหมู่ในกลุ่มแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์แต่มันไม่ผูกพันเหมือนแต่ก่อนชีวิตที่มีครอบครัวชีวิตที่อยู่แบบคารวาสเนี่ย มันยังมีตัวผูกพันอยู่มากมากจนบางทีเนี่ยใครทุกขใครเจ็บใครป่วยใครอะไรนี่เราก็พลอยจะเป็นไปกับเขาด้วยมันหนีไม่พ้นนี่เพราะว่ามันมันเราไม่ใช่คนใจหินไม่ใช่คนใจกระด้างอะไรนี่เพราะฉะนั้นมีหรือว่าจะไม่รู้สึกอ่ะเพราะมันรู้สึกแต่พอเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเราเข้าใจสัจจะความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น คนเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไหมเป็นเรื่องธรรมดาคนตายเป็นเรื่องธรรมดาไหมธรรมดาไอ้สมัยก่อนเป็นคาราวาสก็รู้นะว่ามันธรรมดาแต่มันวางใจไม่ได้แฮะเออเพราะว่ามันต้องใกล้ชิดมันต้องผูกพันนะวันวานวันว น, น, น, นึงก็โอ้โหอะไรเขาเรียกร่วมสุขร่วมทุกข์ทางานทําการ เ, เหน็ดเหนื่อยด้วยกันเนี่ยมันวางไม่ได้วางไม่ลง เพราะพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้เลยคนที่มาบวชเนี่ยมันถึงง่ายที่จะหัดทําใจพวกนี้ได้ดีขึ้นไม่ใช่มาฝึกใจดํานะมาบวชเนี่ยไม่ใช่มาฝึกใจดําเออแต่มาฝึกรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมากขึ้นเพราะชีวิตคนเราจริงๆตัวคนเดียวมาก็มาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวคุณเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าพวกเราเข้าใจแล้วเราศึกษาพวกนี้รู้นะโอ้คุณจะมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยแล้วคุณจะรู้จักสร้างปิติของตัวเองด้วยจะรู้เลยจริงๆว่าเออชีวิตที่มาอยู่แบบนี้มาปฏิบัติแบบนี้ตัวเราเองก็พัฒนาตัวเราเองก็มีคุณค่าในชีวิตของของตัวเราเองเนี่ยมากขึ้นแล้วจริงๆอ่ะ เรามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อหมู่กลุ่มต่อสังคมรอบกว้างเนี่ยมากขึ้นด้วยไม่ใช่น้อยลงเลยมากกว่าเดิมด้วยแต่ความสาคัญคือคุณรู้ถึงไหมท่านนั้นถ้ารู้ไม่ถึงถึงบอกบางคนเนี่ยอยู่มาได้นานเป็นสิบปีสิบกว่าปีแต่ยังไม่ค่อยมีปิติมีความสุขเท่าไหร่รู้สึกว่าอยู่แบบทนทนไป อยู่แบบท น, ทนๆจริงๆนะบางคนบางคนทนทุกทรมานรอ ว, ว่าเมื่อไหร่ลาชลถอะไรจะมาเกยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนตามายืนยันได้เลยถ้าใครอยู่แล้วไม่มีการสร้างปิติสุขในสิ่งที่เราอยู่ในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นคุณเป็นอย่างนั้นไม่ได้นานคุณคุณคุณเขาเรียกว่าอดทนข่มฝืนไว้เท่านั้นเอง ได้นานเท่าไหรเท่านั้นแต่พอหมดความอดทนนะคุณก็จะแปลไปเป็นอื่นทันทีอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าไม่เที่ยงวันคนที่จะเที่ยงได้เนี่ยพุทธเ จ, จ้ารัชไว้ว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เที่ยงแล้วเที่ยงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจนตัสรู้จนบรรลุธรรมที่เที่ยงได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะมีความสุขมีความยินดีใช่ไมมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองทา ตัวเองมีตัวเองเป็นเพราะความสุขเหล่านี้แหละทำให้คนนั้นเนี่ยทำอยู่เรื่อยทาอยู่เรื่อยมันไม่เบื่อมันไม่นายในสิ่งที่ตัวเองทาในสิ่งที่ดีนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมันเ อ, อ่ยยิ่งทาก็ยิ่งสนุกแม้ว่าบางวันจะร้องไห้บางกระตามนะั่นมันคือแมมันสนุกบางคมไม่สนุกทุกวันหรอกนะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้นะที่จะมาบอกว่าเพราะฉะนั้นใครเนี่ยอยากจะปฏิบัติทำแล้วให้มันเที่ยงให้มันพัฒนาให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆคุณต้องมีอิทธิบาทหรือตัวที่หนึ่งคือคุณต้องมีฉันทะคือความยินดีความพอใจเพรา ะ, ะนั้นพอเราไปทําในสิ่งนั้นข้อที่สองเนี่ยผู้เจ้าถึงถึงบอกว่าไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมโดยโดยธรรมะนะโดยธรรมเนี่ย เพราะถ้าเราชัดประเด็นนี้เวลาเนี่ยเนี่ยไปอยู่หน่วยงานไหนก็ตามไปทำงานอา่บริษัทพลังบุญขอบคุณแด่ชีวิตอะไรกะกูดินฟ้าชมารอโรงเรียนฟ้าภายัยหน่วยไหนกะอ่พุทธรักษาเอออะไรอ่ะตึกขาวเอาไปพักอยู่ตึกขาวเงี้ยคุณจำไว้เลย ไปกระทบไปเจอภาษาอะไรข้อที่หนึ่ง เ, เอออย่าคิดแง่ลบอย่าคิดแง่ลบข้อที่หนึ่งอันนี้อาตมาพูดภาษาง่ายง่ายข้อที่สองรีบยงไงพอไม่คิดแง่ลบปับ๊บรีบคิดแง่ดีรีบคิดแง่ บ, งบวกรีบสร้างมิติสร้างความยินดีสร้างความพอใจในที่เราอยู่ในที่เราทํางานาในอาหารการกินของเราไม่ใยากกินไปก็หน้าเบี้ยวไป กินไปก็ว๊อยากจะถุยทิ้งไอ้ถ้าอย่างเงี้ยคุณกินได้ไปกี่คำหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าบางทีเนี่ยอาหารจริงมันก็ไม่ถึงกับอะไรอะ่ะไม่ถึงกับถูกใจเรานะแตจริงจริงมากินได้แล้วบอกคุณก็ได้ไอ้คำตอบที่บอกว่าอาหารนี้ไม่ถูกใจอะ่ะเพราะจิตคุณคิดอ้าวสมมติว่าผัดกะเพรานี่อร่อยถ้าคุณบอกว่าผัดกะเพรานี่อร่อย วันทุกคนจะต้องกินอร่อยเหมือนกันหมดถูกไหมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยบางคนเข้ามากินเขาว่าแม่อร่อยอ่าแต่คนไหนที่ชอบใช่ไหมคนนั้นก็ว่าอร่อยเพราะฉะมันอยู่ที่จิตของแต่ละคนที่ปั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นความอร่อยไม่ได้อยู่ที่อาหารนั้นนะอาหารนั้นมันไม่ได้มีความอร่อยอยู่อาหารนั้นมันมันเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอะไรมันเป็นธรรมชาติของมัน แต่ไม่ได้หมายความว่ามันคือความอร่อยแต่อร่อยไหมอยู่ที่จิตคนนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้คราวนี้พอเรารู้ใช่ไหมเราก็เริ่มปรับจิตเราล้างอุปทานพวกนี้เพราะฉะนั้นบางทีอาหารที่แม้เรากินมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราเฉยเยเราไม่ค่อยใจไปปรุงอะไรคราวนี้คุณต้องฝึกนะยิ่งอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยคุณต้องหาปรุงจิต ว่าเออมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีคุณค่ายังไงมันเป็นวิตามินเกลือแร่ที่เราเนี่ยขาดแคลนอยู่บ่อยๆด้วยซ้ําไปเพราะเราไม่ค่อยได้กินถ้าเรากินเข้าไปแล้วโอ้โหจะยิ่งทําให้สดชื่นแข็งแรงกินเข้าไปแล้วยิ่งทําให้มีชีวิตชีวาเพราะว่ามันทําให้โรคภัยไข้เจ็บเราน้อยลงอ่านี่ยคุณปรุงจิตในแง่บวกไงในแง่บิติในแง่ยินดีในแง่พอใจ เขาเนี้คุณจะเริ่มกินอร่อยขึ้นรับรองคุณไม่ติดหรอกไอ้ของที่คุณไม่อร่อยเนี่ยนะคุณไม่ติดหรอกแต่พอคุณปรุงจิตมีฉันทามีความยินดีนลงไปเนี่ยคุณจะทำงานได้ดีขึ้นคุณจะกินสิ่งนั้นได้ดีขึ้นมันจะไม่เบื่อหน่ายในการกินแล้วบอกแล้วไม่ต้องห่วงว่าเป็นกิเลสเพราะบอกแล้วว่ายินดีอันนี้ยินดีโดยธรรมะนะไม่ใช่ยินดีตามกิเลส ต้องเข้าใจคําว่ายินดีตรงนี้ถ้ายินดีตามกิเลสเนี่ยคือของไหนชอบชอบกินข่อนมันอร่อยแหมยิ่งชอบยิ่งกินของที่เราชอบอย่างนี้สิอย่างเงี้ยเป็นปิติเป็นความยินดีเป็นความพอใจเป็นไปตามอํานาจกิเลสไม่ใช่เป็นไปโดยธรรมนี่คือความแต ก, กต่างเสร็จแล้วข้อที่สามข้อสุดท้ายผู้เจ้าท่าน นะบอกว่าพอไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแล้วก็ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมะแล้วข้อที่สมคือไม่เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในความสุขนั้นพูดอย่างนี้คุณอาจจะนึกๆเข้าใจไปแบบอะไรอะ่ะเออมันก็ถูกอะ่ะว่าเราไม่ควรไปติดอะ่ะว่าคุณยินดีอะไรยินดีไปยินดีมาสร้างไปติสร้างสุขในสิ่งนั้นมากเข้ามาๆ เดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวมันเวอร์เพราะนั้นระวังอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเวอร์นะอันนี้คืออย่างหนึ่งแล้วนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่อาตมาอยากจะพูดให้ฟังก็กคืออันนี้เนี่ยคือไม่หมกมุ่นอยู่ในความสุขนั้นแปลแบบพ่อท่านอนวมาแปลเองนะแ ต, แต่ใช้สำนวนพ่อท่านถ้าแปลแบบพ่อท่านก็คื อ, อยาติดแป้นเพราะอะไร เราทําสิ่งไหนเนี่ยไม่เกลียดแล้วคุณทําสิ่งนั้นได้ดีมีปิติสุขในการทําอย่างนั้นคุณมีฉันทะคุณมีความพอใจในการทําสิ่งนั้นก็เพราะพอใจในการทําสิ่งนั้นอะ่ะก็เลยหยุดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้มีอีกไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากเอาไม่อยากเอาพอใจกับไอสิ่งที่เราทาได้แค่เนี้ยพอแล้ว ทำอยู่แต่ที่ชอมารอพอแล้วบางทีนี่ชอมารอปิดสมมตินะชอมารอหยุดเอา้าเราพอใจอยู่กับชอมารอถึงจะหยุดไปเราก็ไม่ต้องไปช่วยที่อื่นหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะทำแต่ที่ชอมารอเท่านั้นเนี่ยมันเริ่มติดแป้นอยู่กับกับที่อตาตมายังอนุโมทนาหลายคนที่นี่เนี่ยบางคนก็อยู่ แดชีวิตบางคนอยู่พลังบุญ เ, เข้าพรรษาจนตอนนี้ออกพรรษาแล้วเนี่ยพรรษาที่ผ่านมาปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยมาตั้งตะบะว่าช่วงเช้าที่เขายังไม่ทํางานคื อ, อบริษัทเนี่ยบางที่บางแห่งเขาเปิดเท่าไหร่นะแปดโมงบ้างเปิดเจ็ดโมงบ้างแต่ปรากฏว่าพวกเนี้เขาก็ตื่นแต่เช้ามืดแล้วเขาตื่นมาเสร็จเขาตั้งตะบะว่า เขาจะมาช่วยชมาลอ่ะ อ, อาจจะเท่าที่เขาจะช่วยได้นะเขาก็จะมาช่วยช่วยจนถึงเวลาที่เขาเปิดทําการบริษัทเขาเขาก็ถึงมาทํางานที่บริษัทเขาเอออย่างนี้อาตมารถถู้สึกเอออันเนี้ยเข้าขายข้อที่สามนี่คือเขาไม่ติดแป้งเขามีเวลาแล้วเขามีกําลังกายที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อีกเขาช่วยเขาทํา เขาไม่เอาความสุขแค่แค่ไอที่เขาทำได้เท่านั้นแหละไอที่เขาทำได้ไดเนี่ยก็ยังทำได้มากกว่านี้อีกเนี่ยเขาก็จะทำนี่คือไม่หมกมุ่นอยู่กับไอความสุขที่แค่ตัวเองทำได้บางทีอะบางคนอนะทำได้กระจึงเดียก็ไปมัวติดแป้นพอใจอยู่กับไอความสุขก็ะจึงเดียวที่ตัวเองทำได้ ท, ท, ทั้งทที่โอ้โหรอบข้างนี่มีความสุขอีกเยอะแยะเลยนะไม่ทา ระวังเธอมองไปมองมาเนี่ยมันจะกลายเป็นความขี้เกียจคนที่ติดแป้นความสุขเนี่ยจะเป็นคนขี้เกียจมันสบายแล้วนี่มันได้ฐานแล้วเพราะฉะนั้นให้คุณไปสังเกตดูได้เลยคุณจะรู้เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องถามใครนะถามตัวเองคุณจะให้คำตอบตัวเองได้เลยว่าจริงๆเนี่ย ค, คุณขนขวายมากกว่า น, นี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วคุณจะรู้ว่า ได้คําตอบที่ออกมาไม่ต้องให้คนอื่นตอบเลยเราตอบตัวเองได้แล้วก็ถ้ากล้ากาถามตัวเองนะว่าเนี่ยเราขี้เกียจไปหน่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่อุตสาหพูดแค่หน่อยนะ <c oughs> จริงๆลราบางทีนี่เรายัางขี้เกียจอยีกมากเลยนะจริงๆเราขวนขวายกว่านี้ได้อีกเรายังขยันกว่านี้ก็ได้อีกแล้วก็ไม่ใช่ขยนันจนเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอะไรกับตัวเองนะเราก็รู้นะ ว่าโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นด้วยเรายังมีเวลาเหลืออ่าเรายังสามารถไปช่วยจุดนั้นจุดนี้ได้อีกแต่ไม่ช่วยบอกตรงๆเลยไม่ช่วยบางทีก็มาทําอะไรก็ ก, ก็แก้แก้ตามเรื่องตามเราที่เราอยากจะทะําอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขของเราไปไอความสุขแบบนี้ไม่ใช่ความสุขที่ได้มาโดยทํา ไอ้ความสุขแบบนี้เริ่มเป็นความสุขแบบกิเลสละที่มันเริ่มแฝงซ้อนเข้ามาเพราะเรื่องของความติดแป้นเนี่ยธรรมาถึงบอกว่าโอ้โหไม่ง่ายเลยข้อที่สามเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองติดแป้นต่อเมื่อบางทีเนี่ยโดนกระทุง้งโดนกระแทกหรือว่าโดนเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่ทําให้เราเห็นทําให้เราเจอด้วยตัวเองนะถึงจะสํานึกขึ้นมาได้ถึงจะรู้ตัวขึ้นมาได้ว่าโอ้โหจริงเลยแม่เรานี่ทําไมมัน ไม่ควรขวายให้มากกว่า น, นี้อ่ะนี่พูดแบบว่าอ่ไม่เข้าข้างตัวเองหรือว่าไม่โกหกตัวเองนะของแต่ละคนคุณลองไปสำรวจตัวเองตามจริงของตัวเองเลยแล้วคุณจะพบเองว่าความเป็นจริงของคนเราเนี่ยคนเรายังมีเรี่ยวแรงมีกำลังทำได้มากกว่าที่ตัวเองทำอยู่แต่มีตัวขี้เกียจมีตัว ยังติดสบายไอ้น้ำบ้งติดสุกไอ้อยางยี่บ้างมันดึงเราไปในที่สุดก็เลยทําให้เราก็ mm hmm. ก, ก็ปล่อยเวลาล่องลอยไปกับไอ้สิ่งเหล่านั้นอ๋อหลายอย่างเลยนะบางทีหลายชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่เราปล่อยไปกับสิ่งเหล่านี้โดยที่เรารู้เลยว่าเราสามารถไปทําประโยชน์สามารถทําสิ่งที่มีคุณค่าได้มากกว่าไอ้ไอที่กำลังนั่งทําอยู่นั่นแหละหรือว่ายืนทําก็ตาม นะแต่คงไม่พูดถึงนอนทําป็นนอนทํานี่มันเกินไปละอืม <c oughs> นะถ้าเข้าใจข้อสามเนี่ยซึ่งอาตมาพยายามอธิบายมากเลยเพราะอจะมาบอกคุณก็ได้อันเนี้ยติดแป้นกันมากไม่ต้องแค่คาราวะาหรอกยิ่งนักบวชเนี่ยแหคือยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นติดแป้นได้ง่ายเพราะยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วลดกิเลสไปได้เนี่ยนะ ความสบายความสุขของจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกิเลสมันลดลงไอ้ความสุขความสบายเนี่ยถ้าได้มาโดยธรรมอ น, นุมาบอกแล้วมันได้มาโดยธรรมจริงๆด้วยมันสบายขึ้นสุขขึ้นแต่คุณยิ่งปลดปล่อยอะไรออกไปได้มากเนี่ยกิเลสเนี่ยนะคุณยิ่งปลดปล่อยไปได้มากเนี่ยจริงๆเวลาคุณยิ่งมีมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องเอาเวลามาสู้กับกิเลสมากแล้วไอ้ไม่เก่งนี่สิ โอ้โหไปหยิบไปจับไปทำอะไรนี่นะกิเล่มันขึ้นอยู่เรื่อยเลยแค่สู้กับกิเลกก็เหนื่อยแย่อยู่แล้วจะตายเอามะลํามาล่ออยู่แล้วแต่คนที่กิเลน้อยลงน้อยลงไปทำอะไรเนี่ยไปเจอผัสสะเนี่ยไปเจออะไรเนี่ยกิเลเขาน้อยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกทำไม่โดนก็ได้ทำไม่ดีก็ได้โดนด่าบ้างโดนตีบ้างสบายมาก <laughs> ไม่ทุกข์ไม่กุม ไม่เสียใจไม่น้อยใจออนะอดทนได้มีขันติได้ก็ทําได้สบายสบายจริงๆริถ้าถ้าเขาปฏิบัติได้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะะฉนั้นถึงบอกว่าโอ้ยเขาจะทําอะไรที่ไหนยังไงดิมันทําได้เยอะแยะเลยเพราะฉันถ้าเราเนี่ยเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้นะสามข้อที่พระเจ้าท่านตัดเอาไว้เนี่ยนะถ้าเราเข้าใจได้เอาพูดทวนใหม่อย่างง่ายๆ หนึ่งก็คือเอไม่คิดในแง่ลบนะ่งกับงานก็ตามนะไม่ต้องกับคนนะะคนที่คุณเข้าใจง่ายอยู่แล้วกกับงานกับอาหารการกินกับข้าวของเครื่องใช้คุณยังเพ่งโทษได้เลยนะ <c oughs> บางทีแหมเสื้อตัวนี้อไม่ชอบเสื้อตัวนี้ไอ้ตรงนี้ก็ด่างไอ้ไอ้ตรงนี้นไงแหมเย็บไม่ค่อยสวยเลยแค่เนี้ยคุณไม่ใส่ล้ว <c oughs> มีไหมเนี่ยมีจริงๆคุณถ้าเจออย่างนี้นะคุณหัดบ้างเออตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะด่างบ้างอะไรบ้างเออนั่นแหละหัดเอามาใส่หัดเลยทําไมต้องให้หัดเอามาใส่ไม่อย่างนั้นคุณจะใส่แต่ไอ้ที่คุณชอบอะไอ้ที่คุณไม่ชอบบอกแล้วคุณไม่หัดใส่บ้างเพราะคุณจะมองไม่เห็นไอ้เ อ, อ, อ, อกิเลตพวกนี้แล้วบอกว่าไม่เพ่งโทษไม่เพ่งโทษพ่อ โ, โท อย่าว่าแต่กับคนเลยแค่เสื้อผ้าคุณยังเพ่งโทษเลยแค่บางทีเนี่ย ไ, ไอสมุดปากกาดินสอคุณยังเพ่งโทษเลยเอา่าแจ้งนี้ไม่เอาเอาแทงโนนไม่ใช่ว่ามันเขียนไม่ดีนะแต่บางทีอ่ะสีไม่ชอบสีไม่เข้ากับเราแค่เนี้คุณยังไม่ใช้เลยนี่อาตมายังไม่พูดมาถึงโรงครัวเลยนะ บางทีอ่ะมีก็ใช้ได้อะไรก็ใช้ได้แต่อย่างนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้อะไรอ่ะไม่ไม่สมพงกับมือเราเลย <c oughs> เพราะนั้นอันนี้ไม่เอาไม่ใช้เอาอันอื่นมาเอาอื่มาจริงจริงเนะี่ยอันนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้แต่จิตเราเองต่างหากที่ทำให้มันใช้ไม่ได้ไปดูเหอะบางคนเนี่ยไก้แค่กละมังแค่ชามแค่อะไรเนี่ยแค่นี้คุณยัง ปล่อยใจคุณยังวางใจไม่ได้เลยแล้วน้าภาษาอะไรคุณจะมาวางใจกับคนน่ะคนน่ะด่าล้วก็เก่งค้อนเราก็ได้เถียงเราอีกต่างหากโอ้แล้วคุณจะวางใจได้ยังไงใช่ไหมคือวางใจแบบไม่เพ่งโทษอะ่ะไม่เพ่งโทษอะ่ะมีเหรอคุณจะวางได้กับไอ้ข้าวของอะไรต่างๆคุณยังวางใจไม่ได้เลยแล้วน้าภาษาอะไรกับคนเพราะงั้นที่พูดตรงเนี้ยพูดวิธีการฝึกด้วย ฮวนไม่ใช่ว่าบางทีนึกเนี่ยจะฝึกเอากับคนเลยใช่คนก็ต้องฝึกแต่มันยากเนี่ยฮวนบางทีกับข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆอาหารการกินคุณฝึกได้คุณฝึกวางใจได้ไม่เพ่งโทษกับข้าวไม่เพ่งโทษ อ, อบางทีเนี่ยไอ้อะไรอะ่ะที่นั่งนะนั่งมีไม่ได้ต้องนั่งต้องโน่นเสื้อนี้ไม่เอาต้องเอาเสื้อโ น, น้นอะไรอย่างเงี้ยคุณฝึก ถ้าคุณฝึกได้นะข้าวของต่างๆคุณฝึกได้คนนี่คุณเริ่มจะเบาลงละเพราะจริงๆเนี่ยใครเนี่ยฝึกซ้อมอะไรมาก็ตามก็จะเริ่มชนานาญขึ้นเพราะพอคุณเริ่มผัดษากับคนซึ่งมันยากเนี่ยนะแต่อย่างน้อยคุณซ้อมมือมาบ้างแล้วนะเพราะพอมาเจอปับ๊บมันก็เออมันก็พอทําใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะนี่ข้อที่หนึ่งเพราะไม่ไเพงโทษไม่ไปคิดแง่ลบกับอะไรทั้งนั้นพยายามมีสติ เตือนตัวเองสองอมีปติหรือว่าเพิ่มในการคิดความคิดในแง่บวกคือเราไม่คิดแง่ลบแล้วเพิ่มความคิดในแง่บวกหรือสร้างปติในสิ่งนั้นนั้นได้อะไรมาสูตรได้ขอมาเนี่ยสมมติบอกเนี่ยเขาบอกเอาช่วยมาหั่นผักหน่อยเขาส่งมีดมาให้คุณโอ้โหมีดนี้เราไม่ค่อยชอบเลยนะแต่ลองหัดนสิ หัดสร้างบิติหัดสร้างความสุขในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นหรือในสิ่งที่เราได้มานะหัดทาความสุขกับมันไม่ใช่พอหันไปก็คิดไปโอ้ยมีเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะทั้งบางไปทั้งอะไรไปอย่างเงี้ยคุณทํางานอยู่คุณคิดแง่ลบไปเรื่อยเลยเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ไม่ผ่านแล้วแต่ทีนี้เอาละข้อที่หนึ่งผ่านนะไม่ได้คิดอะไรแต่คุณก็ไม่ค่อยชอบอยู่เท่าไหร่นะ อ่าในใจเนี่ยแต่คุณพย า, ยามทําเฉยๆไงแต่ไมพ่พอพอมาถึงข้อสองปับ๊บคุณตัง้งเออจริงๆมันก็คมมันก็ใช้ได้มันก็หันขาดหนะ้ามันอะไรอะคุณคิดแง่บวกไปอย่างเงี้ยถ้าคุณทําอย่างนี้ได้จิตคุณจะเริ่มแบบวันหลังคุณผัสสา ก, กับคนคุณจะเริ่มเนี่ยพอเจอคนไม่ถูกใจคนไม่ชอบใจอะไรคุณจะเริ่มปรับง่ายขึ้นคุณจะคิดในแง่บวกกับคนนั้นได้ได้เก่งขึ้น จนกระทั่งอ้าวข้อที่สามอะไรไม่ติดแปน้นหรือรู้จักที่จะหาความสุขเพิ่มไม่ใช่มีความสุขแค่ไหนแล้วมักน้อยสันโดษพระเจ้าไม่สอนหรอกนะพระเจ้าไม่สอนแบบนี้จริงพูะเจ้าท่าใช้คำว่ามักน้อยสันโดษแต่ท่านยืนยันไว้เลยว่าไม่มักน้อยไม่สันโดษใน ในกุศลกรรมหรือในสิ่งที่ดีท่านไม่ให้มักน้อยท่านไม่ได้ให้สันโดษในความดีถ้าจะพูดก็ให้หนักหนา ก, ก็ต้องมกักมากขึ้นต้องมกักมากขึ้นในความดีในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะข้อที่สามถึงบอกว่าคุณมีความสุขในการประพฤติรมในการสร้างความดีไว้แล้วอย่าหยุดอยู่ คุณทําดีได้มากกว่านี้คุณยังจะมีความสุขมากกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าท่านใช้สํานวนว่าความสุขนะที่ดีกว่าเนี้ยยังมีอีกถ้าจะใช้คำนี้ว่าเนี่ยเนี่ยเี่ยายความสุขที่ดีกว่าที่คุณมีตอนเนี้ยมันยังมีอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหยุดเอาความสุขแค่นั้นความสุขที่ดีงามที่ประเสริฐเนี่ยยังมีมากกว่าที่คุณมีอยู่ตอนนี้อีกเพราะฉะคุณต้อง ทำให้มากขึ้นกว่า น, นี้เพิ่มขึ้นกว่า น, นี้แล้วจะรู้เลยว่ายิ่งทําได้มากขึ้นโอ้จริงจริงด้วยมันเป็นความสุขที่เราเนี่ยจะได้มาโดยธรรมะเนี่ยจะได้มากขึ้นแล้วคุณจะยิ่งเบาคุณยิ่งสบายคุณยิ่งจะพ้นทุกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมันจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกธรรมดาคือธรรมดาของคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้ถ้าเราต้องภาคเพียรเราต้องบําเพ็ญ ให้มากขึ้นนี่เราจะลำบากขึ้นนี่นี่คือความรู้สึกของของคนมีกิเลส ท, ทั่วไปแต่ถ้าเ ป, เป็นนักปฏิบัติธรรมที่ถูกทิศถูกทางแล้วคุณยิ่งทำดีได้มากขึ้นเท่าไหร่คูจะรู้เลยว่าคุณจะยิ่งมีความสุขที่กิเลสมันลดลงได้มากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งทำให้เราเนี่ยนะไอความโกรธไอความรักใคร่ผูกพันไอความมีอัตมาหน้าต่อใครเนี่ยก็จะยิ่งสลาย ยิ่งหายไปจากจิตปัญญาของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะ่ยคนนั้นยิ่งลำบากน้อยลงจะไปทําอะไรจะไปผัดสากอะไรเนี่ยก็กลายเป็นไม่ยากไม่ลําบากมันจะมีจำนวนนี้จะได้โดยไม่ยากจะได้โดยไม่ลําบากเรืๆๆ่อยๆจนกระทั่งถ้าถึงขั้นชํานาญแล้วเนี่ยอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเวลาถ้าท่านจะเข้าฌานเข้าฌานนี่คือคือคือ หาความสุขชานนี่เป็นเครื่องแสดงความสุขผู้ยิ่งที่จะได้ชื่อว่าจริงๆไม่ต้องถึงผู้ยิ่งเจ้าอะผู้ที่ทําปฏิบัติจนชํานาญแล้วเนี่ยสำโดนก็จะใช้คําว่าสมมุติเราเข้าชานนะคือเร า, เร า, เ, ราเราจะเข้าความสุขแบบที่ได้มาโดยทำเนี่ยจะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากเหมือนกับสมมุติว่าเนี่ยเราจะเหยียดแขนออกเราจะคู่แขนเข้ามันง่ายขนาดอย่างนี้เลยเนี่ยเหยียดแขนออกคู้แขนเข้า ได้ความสุขเลยทันทีท่านเปรียบอย่างนี้บัง่ายขนาดนี้เลยโอไม่ต้องไปเหนื่อยยากไม่ต้องไปลําบากอะไรอีกเลยนะเอาวันนี้ฝากสามข้อนี้เพราะว่าสามข้อนี้เป็นข้อที่เป็นสูตรสู่ความสําเร็จนะถ้าจะใช้ชื่อเนี่ยนะว่าเป็นสูตรสู่ความสําเร็จนะท่านบอกว่าความเพียรความพยายามจะมีมรรคผลได้เนี่ยคุณต้องมีสามข้อนี้ แล้วคุณก็จะสำเร็จทุกอย่างที่คุณทำอ่าวันนี้คงฝากไว้ท่านี้